بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على ا أ ش ر ا ف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله رب و ب ن إسلام دينا و ب محمد رسوله รับชั่ว ي รือซั ي รีวยัสรีอัมลิวะพลอุดะตมิลิสานิย่ฟกหูกาวลีอัลลอฮ ي ม وعالم ห์เตว ي นอัลลอฮุมะอินน่านาสอัลกะอินม ط ي ب ا و ع م ل ล م น ا ุต ا บั ع ัย و ربنعالمين ر ัสส ا ามูอะลัย კ ุมุร ل ะห์มัตุล ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอสุบฮานาฮูวตาอละประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุร่านทุกทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละวันนี้ก็จะมีด้วยกันสองวิทยากรนะครับชั่วโมงแรกเหมือนเดิมเนาะอ่านกุร่านการตัฟซีดแล้วก็เดี๋ยว สิบนาฬกาสาสนาทีก็จะเป็นอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะครับอาจารย์บุคอรีเหมพีมนะก็จะมาให้ความรู้บรรยายศาสนธรรมนะครับนั้นเรามีเวลาอยู่ด้วยกันประมาณหนึ่งชั่วโมงชาร์ล็อตนะหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะครับในการอ่านอัลกุรอานและก็เรียนก็ทำนี่แหละมีมีคนมามาช่วยด้วยไม่ต้องไม้เดียว ออชอบชอบสิอ่านะก็ทานุรินละนะครับก็สลับกันไปด้วยนะครับอ่มาช่วยกันน ะ, ะวันนี้เราอ่านถึงอายะที่หนึ่งร้อยสอร้ออัลอันอามอายะที่หนึ่งร้อยนะครับอเจอนะว่าจาลูลิลลาฮิชูรักะ ว่าจะเอาลิลลอฮิชูรักะอัลญินน้วข้าลักอว์วัวข้ากอหุมอ่ะเดี๋ยวเริ่มต้นที่ฟาดีฮาก่อนนะครับอาอูบุบิลลาฮิมินอชชัยนรร ب ิ سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم มัลกียามิดดินอียังกันาบูดัวอียังกันาสต اع ินอิฮดีนาศรอตัลมุสตักยิม สิรัต الذين أنعمت عليهم غير ا ل م ض ُ و ب عليهم ولا الضالين อาลั่ ا ل บิลลาฮิม ا ل ر ัลชา ي ิตา ا ل รรจิมว่าจะลู ل ิลลาฮิชุรั ل ะอัลดินน้าวัคว و خ ل ق ه ุ م ว่าครอบครัวลูกบ้านีนและบ้านาทิมเป็นคนไม่รู้เรอ สุบฮะน์น์หูวะตะแาลาอัมมายสซิฟูนอะมาดูความหมายนะครับว่าจาลูลิดละและพวกเขาได้ให้มีขึ้น แกอัลลอฮ์ลินลาก็คือแกอัลลอฮ์จ่าลูทำให้มีขึ้นแกอัลลอฮ์อะไรอะ่ะชูรกาก็คือภาคีมีหุ้นส่วนให้อัลลอ์เนี่ยมีหุ้นส่วนซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดก็คือชีริกนั่นเองนะเอาอะไรมาเป็นหุ้นส่วนครับอัลจินก็คือจินจินก็เป็นสิ่ง ถูกสร้างชนิดหนึ่งที่เอาล้อสร้างสร้างมาก่อนมนุษย์เลยนะอจินเนี่ยถูกสร้างมาก่อนซึ่งมันเป็นกายละเอียดเรามองไม่เห็นนะเรามองไม่เห็นมันแต่มันเห็นเราอจินนะครับถูกสร้างมาจากไฟมารกค้าสูกสร้างมาจากรัศมีมนุษย์ถูกสร้างมาจากดินและก็น้ําด้วยน้ํากับดินรวมกันนะ ว่าคอแลกก่อหุ้มว่าคอแลกก่อหุ ม, หมทั้งทั้งที่พระองค์ทรงบังเกิดพวกมันคำว่าบังเกิดพวกมันนี่เกิดให้เกิดสร้างใครสร้างยินนั่นแหละอัลลอฮ์สร้างทั้งยินและก็มนุษย์แต่มนุษย์ไปเอายินเนี่ยมาเป็นพระเจ้าหรือเอามามีอํานาจเทียบเคียงกับอัลลอ์ทั้งทั้งที่ยินเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อัลลอ์สร้างมันมาเหมือนกันสร้างตัวมันเหมือนกัน ว่าขารกูละฮ บ, บนนแวบาติมบกีกรแต่พวกเขาได้อุปโลกให้แก่พระองค์ซึ่งบรรดาบุตรชายและก็บุตรหญิงเขาใส่ร้ายอัลลอฮ์กล่าวหาอัลลอฮ์ว่ามีบุตรซึ่งบุตรชายเนี่ยก็หมายถึงพวกนาซรอที่บอกว่านาบีอีสาเป็นลูก แล้วก็เยาฮูดก็บอกอุไซซึ่งเป็นคนซอลแลนะบอกเป็นลูกทั้งเยาฮูดและนัสซอรอนเนี่ยกล่าวหาอัลลอฮ์ว่ามีลูกชายส่วนพวกมุชริกินบอกว่าอัลลอฮ์มีลูกเหมือนกันแต่ลักษณะของการมีลูกของ AH อัลลอฮ์ก็คือก็คือมาเลิกาเป็นลูกสาวเขาเชื่อว่ามาเลิกาเนี่ยเป็นลูกสาว เวลาเขาปั้นลูกปั้นออกมาก็จะเป็นลูกปั้นที่มีเพศด้วยเป็นเพศหญิงเพศชายเพศหญิงบอกว่ามาเลกาเนี่ยเป็นเป็นลูกสาวบีกอกรีเอินมินโดยที่พวกเขานั้นไม่ได้มีความรู้ปัสจากความรู้เพราะถ้ารู้แล้วทําเชื่อแบบนั้นไม่ได้นะแล้วก็แต่งเรื่องเป็นตูเป็นตะอย่างนั้นอย่างนี้เอาล้อยอย่างนี้นแต่ว่าไอที่พูดมาเนี่ยไม่ได้มีความรู้อะไรเลย แต่คนฟังก็ดูโอ้โหมันดูศักดิ์สิทธิ์ด้วยดูขังดีนะแต่แต่ไม่มีความรู้อะไรที่พูดมาเนะี่ยซุบฮานะหัวตาละอา ม, มายาซีฟูนพระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์ซุบฮานะพระองค์นั้นทรงบริสุทธิ์จากไอสิ่งที่พวกเขากำลังกล่าวหาอัลลอ์อยู่นี้ที่เขาเชื่อแบบนี้เนี่ยอัลลอ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย เลวตาและทรงสูงส่งเกินกว่าที่โบเขาจะให้ลักษณะอย่างนั้นได้เพราะคุณลักษณะของอัลลอฮ์ต้องหนึ่งเดียวไม่ใช่มีสองมีสามมีสี่ไม่ได้อัลลอฮ์ไม่มีไม่มีพ่อและไม่มีลกูกไม่มีผู้ให้กําเนิดอัลลอฮ์และพระพงษ์ก็ไม่ให้ไม่ได้ให้กําเนิดไข่ลำยาฤทธิ์ว่าลำยูลัดนะซึ่งพวกนี้พวกนี้เอามากล่าวหาว่าเป็นคุณลักษณะของพระเจ้าซึ่งไม่ใช่ สูงพระองค์นั้นบริสุทธิ์กับคุณลักษณะแบบแบบนี้ครนี้มันมีนบี บ, บรอฮีมก็บอกว่ายาอาบติลาตาบูดิชัยตอนโอ้พ่อจ๋าอย่าเคารพ บ, บูชาชัยตอนเป็อันขาดอินนัชัยต้อนะแกนะลิรห์มลิรห์แม่นีอาซียะแท้จริงชัยตอนนั้นมันดื้อรัน้น <c oughs> ต่อพระผู้กรุนน่ะครนี้บางคนก็ถามอยู่ว่า พวกนี้กราบไหว้รูปปั้นแล้วเขาไปเชื่อเชยตอนอยังไงอะ่ะไปบูชาเชายตอนอยังไงคือเชยตอนมันมากระซิปกระซาบครับตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดเราเรียนประวัติป ร, ประวัติของนบีนัวเนี่ยก่อนหน้านี้รูปปั้นแรกเลยที่เกิดขึ้นก็เป็นคนซอนแหนนี่แหละและเชยตอนมันก็มาบอกว่าทําไมคิดถึงโตกีโตวังอะทาไมไม่ทําอนุสอ์ไว้หน่อยละ่ะเออเพราะว่า ที่ตรงเนี้ยมันเคยเป็นที่โตกีโตวางคนเนี้ยเคยอ่านกุรานอยู่เขาเคยนั่งวิกิตอยู่ทําอิบาได้อยู่กลัวว่าคนผ่านไปผ่านมาเดี๋วจะลืมไปว่าตรงที่ตรงเนี้ยเป็นที่นั่งก็เลยเอาเสาตอนนอมาปักเอาไว้อ่าพอปักเอาไว้ตอนนั้นก็ยังไม่มีอะไรหรอกคนผ่านไปผ่านมาก็ถามเสาอะไรเนี่ยอ๋อเสาเป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่าโตกีฉันคนวารีคนเนี้ยเคยนั่งอ่านซิกิตอยู่เคยอ่านกุรานอยู่ตรงนี้อ่านเยอะมากตรงนี้ก็เลยปักเอาไว้ พอไอ้คนพวกนี้ตายไปคนกลมใหม่มาจากที่สาวปักก็กลายมีมีอะไรนะมีผ้ามาผูกแล้วมีคนไอ้นู่นเอานี่มาวางเอาไว้ก็กลายเป็นสาวที่ศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วพอสาวพังผูกไปปั๊บคนนี้ปั้นเป็นรูปเลย <c oughs> แต่มันไม่ใช่วันเดียวนะมันใช้ระยะเวลาเป็นรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งไอ้คนที่เหลือเนี่ยไม่ไม่ทราบที่มาที่ไปแล้วกลายเป็นจเจวิตขึ้นมา แต่มาจากผลงานของเชตตอนที่มันค่อยๆกระซิบกระซาบเรื่อยๆบอกอย่างนั้นบอกงี้จนกระทั่งมนุษย์เนี่ยหันเหออกจากการเคารพอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานั้นการที่บอกว่าเอาเก็เอายินเนี่ยมาเป็นภาคีเนี่ยก็คือการเชื่อฟังมันยินที่ไม่ดีนะมาเชื่อฟังมันแล้วมันกระซิบอะไรแล้วก็บอกและแน่นอนว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาล์เนี่ยก็ให้อำนาจบางอย่างกับมันนั้น ด้วยความรักนะการรักษาไซเฮตโดยการผ่านยินอันนี้ไม่เป็นที่อนุญาตใครที่รักษาไซเฮตและใช้ยินรักษาอันนี้ถือว่ามีพระมีขุนส่วนกับยินแล้วกําลังใช้อํานาจของยินซึ่งไม่ได้แล้วเออล้รักษาไงล่ะรักษาด้วยการุกยะด้วยกับการอ่านกุรานด้วยกับการขออุดร์นะแต่ไม่อนุญาตให้ใช้ยินนะครับมารักษานะมันมีหมอบางคนนะใช้ยินรักษานะซึ่ง โอเ้เขาก็บอกอยู่แล้วแหละคือทำมาแล้วไม่อ่านอะไรเลยนะซุบซิบเนี่ยอันนี้น่าแปลกแ ป, ก แ, ปกแล้วถ้าลูกย้างก็ต้องอ่านอ่านอะไรแล้วก็แน่นอนแหละเขาเขาจะไม่มีของเส้นนะถ้าพวกใช้ยินมันจะมีของเส้นมีเบอรี่มีบุรีมีหมากว่ารักษาเสร็จแล้วต้องเอากล้วยมาให้ต้องอะไรเงี้ยอันนั้นน่ยไม่ได้ให้ใครหรอกให้ยินกำนันครูไม่รู้ครูอะไร คูอะไรอ่ะแล้วก็แล้วแต่ใสซ่ซองให้เขาสิสดกอเขาเ่าถ้าเปา็นสดกอก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดเป็นหมาเป็นพวานี่น่ากลัวนะดูแปลกๆก็เดี๋ยนี้มันดูออกนะใครใช้ยินนักษาใครใช้ใส้ลูกยานะมันจ๋าจเรื่องยินฉันไม่ค่อยกิ่งนะเดี๋ยวข้ามไปก่อนนะเรื่องยินนะ <laughs> ฉันไม่ใช่หมอรักษายิง แต่แต่ตรงนี้เนี่ยในกุฎิอ่านบอกว่าอย่าเอายินมาเป็นหุ้นส่วนกับอัลลอฮ์เรามีอะไรเราก็ขออัลลอฮ์ไม่ต้องไปผ่านยินแก่แค่นั้นแหละจะไปให้อำนาจมันทำไมล่ะก็ในเมื่ออัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างยินมาแล้วมันจะมีอำนาจอะไรล่ะอำนาจอยู่ที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ใครให้ผู้ใดก็คืออัลลอฮ์ให้แค่ส่วนเดียวเท่านั้นแหละเหมือนมนุษย์เราเนี่ยบางคนก็มีมีอำนาจในการดูแลปกครองเป็นผู้นําแต่อำนาจไม่ได้อยู่ตลอดหรอกเดี๋ยวมันก็มีเสื่อมมีอะไรไป ขอกล้อเลยอ้าวอ่านต่อนะบดีอุสมาวติวัลอรดบดีอุสมาวติวัลอรดอัน่กูนุละหูและดูวละลันตะกุลและหู ص ا ح า ว่า خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ว่า خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم อ่มาดูต่อนะบดีอุสซ م มาวะจีวั ر อแปลว่าพระผู้ทรงประดิษฐ์ บาดียเนี่ยแปลว่าประดิษฐ์มีอยู่คํหนึ่งนะที่เราจะคุ้นหูกันบิดานี่แหละมันจะคําว่าบาดียนี่แหละบิดาคืออะไรหรือบาดียเนี่ยแปลว่าอะไรบาเดียเนี่ยแปลว่าการสร้างหรือการประดิษฐ์จากสิ่งที่ไม่เคยมีแบบมาก่อนเอาล้อสร้างฟ้าเนี่ยมีแบบไหมไม่มีแบบเลยนะแผ่นดินก็เหมือนกันไม่มีแบบมาก่อนแต่มนุษย์ใช้คาว่าสร้างเนี่ย ถ้าสร้างโดยทั่วไปคําว่าขอและก็นเนี่ยจะมีแบบมาเหมือนสร้างบ้านเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีสร้างมาเองมันมีแบบของมันแล้วก็ปฏิทำตามแบบหรือใช้สิ่งที่มีอยู่มาสร้างส่วนคำว่าบัลเล่ต์นี่คือไม่มีเลยและทําให้เกิดขึ้นซึ่งโดยโดยทั่วไปมนุษย์ทำไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะมนุษย์เนี่ยจะสร้างอะไรก็แล้วแต่ต้องมีต้องมีแบบหรือถ้าไม่มีแบบก็ต้องใช้วัตถุดิบวัตถุมา มาเลยนะมาประกอบกันให้เป็นของหนึ่งสิ่งหนึ่งแต่อัลลอฮ์เนี่ยสร้างโดยที่ไม่มีแบบเลยนั่นบิดาเนี่ยในความหมายของด้านศาสนาคือมันไม่มีแบบอะไรมาเลยอยู่ดีๆก็ทำขึ้นมาใหม่เลยแต่ถ้าบางอย่างมันมีแบบมาแล้วแล้วมาต่อยอดอีกเรื่องนะถ้ามันมีแบบมาแล้วแล้วต่อยอดอีกเรื่องหนึง่งอันนี้ไม่ได้กบบิดานะครับ แต่ถ้าเป็นบิดาคือไม่มีมาเลยไม่มีปรากฏเลยนบีไม่เคยทำมาก่อนแล้วทำขึ้นมาเป็นรูปแบบใหม่เลยนี่แหละเขาเรียกบิดาแต่ถ้าพูดในทางเทคนิคของการสร้างมนุษย์ใช้คำวบเบียไม่ได้เลยเพราะมนุษย์เนี่ยคอลแล้วก็สร้างได้แต่เป็นสร้างแบบใช้วัตถุดิบไว้วัตถุมาก่อและมีแบบทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะต่อมาอั น, นยาคูนุลหูและดูวะเมตกุลละหูซอฮิบะ อย่างไรเล่าที่พระองค์จะทรงมีบุตรได้ออโดยที่พระองค์นั้นไม่ได้มีคู่ครองคือการที่จะมีบุตรเอาคำว่าลูกก่อนนะลูกเนี่ยมันจะต้องออกมาจากสิ่งที่เป็นสภาวะที่เหมาะสมกันหรือคู่มันก็ต้องต้องเหมาะสมกันนั้น ถ้าจับคู่ที่ไม่เหมาะสมยังไงก็ไม่เกิดลูกเช่นอายุยี่สิบห้าไปแต่งงานกับโตอายุเก้าสิบแล้วก็มีลูกว้ไวันะฉันว่ามันน่าจะแปลกๆนะเพราะเก้าสิบนี่มันไม่เหมาะกับย5ิบห้าคืออยู่ได้แต่มันไม่ได้เข้าคู่กันมันต้องรุ่นเดียวกันวัยเดียวกั น, ก น, กนเหมาะกันมากพาไปหาหมอถ้าแต่งงานก็จูงกันไปหาหมอ เลยแต่งแต่งได้แต่งได้แต่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เป็นหูปผมงซุนนาแน่ไม่เป็นซุนนาแต่เป็นสิ่งที่อนุญาตที่เฉยทําไมไม่ซุนนาคําว่าซุนนาแปลว่าส่งเสริมนะครับถ้าสมมติไปเจอโต๊ะอายุหกสิบอ่าเจ็ดสิบแล้วกันเจ็ดสิบกับกีแปดสิบเนี่ยไม่ต้องแบบไปแนะนําโต๊ะจัดการกีเขาเลยไปขอกีเขาเลยไม่ต้องให้เขาอยู่กันไป แต่เขาอยากจะแต่งงานก็แต่งได้เพราะอะไรล่ะเพราะวัยสองวัยนี้เนี่ยเมื่อแต่งงานไปแล้วไม่มีผลอะไรหรอกเขาไม่มีผลคือมันไม่มีลูกไม่มีลูกแต่เป็นเพื่อนคู่คิดยามเหงาอย่างเดียวเหมก็เลยไม่ได้ส่งเสริมแต่สมมติแนะนำให้แต่งไหมแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าเป็นหนุ่มสาวมันถูกใจกันปั๊บเป็นยังไงให้แต่ง อาถึงขั้นวายิบถึงขั้นสุนัตต้องส่งเสริมเพราะอันนี้ให้แต่งแต่ถ้าเป็นโตโตก็แล้วแต่เลยจะ้ะอยากจะมีเพื่อนไปหาหมอก็เอาเลย <c oughs> อ๋อเหรอแต่ว่าอีมุมนึงก็คือบางคนเขาอยากจะอ ย, ะอยู่กับลูกกับหลานจริงไหมแต่บางคนเนี่ยที่ให้แต่งเพราะอะไรเพราะไม่มีลูกหลานดูแลเออนั่น อ, อีเรื่องก็ดูด้วยถ้าเกิดบางคนมีลูกมีหลานเต็มมีหลานเต็มเลยเนี่ยผมว่าบางทีไม่คิดแล้วเรื่องแต่งงาน คิดว่าเออจะเลี้ยงหลานยังไงเอ้ยจะอุปการะหลานยังไงอ้าวนะครับว่าขอ้อแรกกุลและใช่อวหวบิคุลลีใช้อินอาลิมพระองค์จะมีบุตรได้อย่างไรโดยที่พระองค์นั้นไม่ได้มีไม่ได้มีคู่ครองพระองค์นั้นทรงได้ทรงได้บังเกิดทุกสิ่งเนี่ยได้บังเกิดก็คือทําให้เกิดขึ้นทุกสิง่งว่าว่าพวกุลลี เชยินอาลีมและพระองค์นั้นทรงรอบรู้ทุกสิ่งด้วยนะครับนั้นลักษณะของผู้ที่สร้างอย่างแท้จริงต้องรอบรู้ในสิ่งที่ที่สร้าง น, นี่เรื่องปกตินะแต่ถ้าบอกว่าเป็นผู้สร้างแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแสดงว่าไม่ใช่ปอมนะถ้าเป็นผู้สร้างจริงต้องรู้บอกลักษณะได้ในสิ่งที่ตัวเองนั้นได้สร้างซึ่งอัลลอฮ์ได้บอกไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าอัลลอฮ์สร้างนูนสร้างนี่มา เ, งงนะาเป็นยังไงนะครับทำเป็นยังไงแล้ววิทยาศาสตร์พึ่งมาพิสูจน์ได้ เพิ่งมาหาข้อเท็จริงนะอา้าวร้อยสองร้อยสามต่อ ذ َ ا ل ِ ك ُ م ُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إ ِ ل َ ه َ إلَّا ِ ه ُ و لا إله إلا هو خالق كل شيء فعبدو วَฮ์วะฮ์ัลลัละะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะْะَะะะะะะะะะะะะَะะะะะะะะะะะะะะะะَ วะฮ์วะลัติฟุลขับิร์วะฮ์วะลัตีฟุลขอบรอ่ามาดูนะครับ The لِكُمُ اللَّهِ นี่อ่านั่นแหละอ่านั่นแหละครันนี้เขาเขียนอย่างนี้เลยนะนั่นแหละ The นั่นแหละคืออัลลอฮ์นั่นแหล ะ, ลหละคือคอัลลอฮ์รับบุกุมพระพระอะ่ผู้เป็น พระผู้อภิบาลของพวกเจ้านะบริหารดูแลอัลลอ์ทรงบริหารจัดการดูแลทุกสปปรรพสิ่งพระองค์สร้างและพระองค์ก็ ด, ดูแลบริหารโดยการดูแลเนี่ยไม่ได้ทำให้พระองค์เกิดความเหนื่อยยากลาบากแต่มนุษย์เราเนี่ยเมื่อสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเหนื่อยชินสร้างครอบครัวเหนื่อยไหมต้องเหนื่อยนะ หาเงินเลี้ยงภรรยาเลี้ยงลูกแต่การสร้างของลระองค์ไม่มีเหนื่อยเลยพระองค์ทรงกําหนดมันก็เป็นไปตามกําหนดที่พระองค์เพราะพระองค์ทรงมีอํานาจอย่างแท้จริงมนุษย์เราเนี่ยมีอํานาจบางส่วนเท่านั้นแหละนะครับนั่นเองที่เราบอกเนี่ยว่ามนุษย์สร้างยิ่งสร้างมนุษย์ยิ่งเหนื่อยยิ่งทําอะไรใหญ่โตก็เหนื่อยมีบ้านหลังละสิบล้าน กับมีบ้านหลังละหนึ่งล้านไปถามดูสิค่าใช้จ่ายต่างกันไหมหลังละสิบล้านเนี่ยเดือนหนึ่งค่าไฟมาเป็นหมื่นติดแอร์ทุกห้องแเหนื่อยนั้นเวลาสร้างใหญ่ก็เหนื่อยเยอะมีน้อยก็เหนื่อยน้อยหน่อยนะครับเอาต่อมาลออิลลฮะอิลเลูไม่มีพระเจ้าอื่นใดเว้นแต่หัวก็คือพระองค์เท่านั้น นะฮอลิกุกุลีเชอินผู้ทรงบังเกิดทุกสิ่งพวกเจ้าจงเคารพพระองค์เถิดฟ้าบูดูจงเคารพพระองค์เถิด ว, วะฮุอาเลกุลีเชอิววากิลโดยที่พระองค์นั้นจะเป็นผู้รับภาระในทุกสิ่งภาระก็คือทรงบริหารจัดการแปลว่าให้เรามอบไปที่พระองค์ พระองค์จะเป็นผู้ดนบรนดาลผลต่างๆเองเราไม่ได้เป็นคนบรนดาลผลหรือกําหนดผลได้นต่ตีจ้าอยู่ที่อัลลอฮ์ให้มอบไปที่อัลลอฮ์เลยเขาถึงบอกไงว่าอันนี้งานของอัลลอฮ์ฉันไม่ยุ่งนะอ่าอันนี้งานของฉันฉันทําสาเหตุทําให้ครบแล้วก็อากีดมอบให้อัลลอฮ์มอบหมายให้อัลลอฮ์และพระองค์ก็จะทรงประทานมาว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จเอาทำไมสําเร็จทําไงก็พยายามต่อไป ถ้าสำเร็จแล้วล่ะถ้าสำเร็จแล้วก็ทำต่อนะเหมือนละหมาดนี่แหละเราละหมาดเสร็จแล้วเราจบไหมไม่จบเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ละหมาดใหม่เหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกจงบากบั่นต่อไปหลังจากงานหนึ่งสำเร็จงานต่อไปก็มาอันนี้เป็นการทำทำงานในดุนยาไม่มีคำว่าจบนะวันนี้กวาดบ้านแล้วผ่านไปอีกวันสองวันก็ต้องกวาดใหม่อีกงานน่ยไม่มีจบหรอกมีแต่ทำต่อเนื่องจบงานนี้ก็ไปงานต่อไปแต่ถ้าจะจบก็คือเราตายนั่นแหละ ตายเมื่อไหร่เราก็สบายแล้วคาว่าสบายนี้หมายถึงว่า ง, งานในดุนยามันจบแล้วเราก็รอรับผลงานในโลกหน้าแต่ในดุนยาไม่มีคําว่าจบนะแหมันก็มีงานต่อไปแต่พักก็มีเอาพักก่อนนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้พักร้อยปอร์เซ็นหรอกมันก็ยังมีงานอีกอื่นเข้ามาอย่างคนที่ถามว่าคนที่เขากเกษียณแล้วเนี่ยมันก็มีงานอยู่นะบางคนก็ไปยกต้นไม้มีอะไรเขาไหะมีคนยังแกอายุเยอะแล้วไปเยี่ยมแกแกบอกแกหลังยกฉันบอกหลังยอกเป็นพ่ออะไรยกต้นไม้ ยกต้นไม้เข้าสวนความสุขเหนื่อยคนละแบบแต่ตอนทํางานอุ้ยเหนื่อยหนักดังนั้นจงบากบันต่อไปงานเสร็จแล้วก็ทําต่ออันไหนไม่เสร็จก็ต่อเนื่องไปคาว่าเสร็จหมายถึงว่ามีงานต่อไปนะเอาต่อมาวัวหัวอะไรกุลลีเชยวัวกีนบอกไปแล้วให้อัลลอฮ์รับหน้าที่ในการกําหนดผลสําเร็จเราแค่ทําสาเหตุ มอบหมายกอลล็อกวิกีนให้หมดนะแต่งานจะเป็นงไงชีวิตคู่ทำให้ดีแล้วมอบหมายกอลล็อาทำธุรกิจลงมือดูแลสาเหตุให้หมดวางวางแผนจัดการให้หมดแล้วมอบหมายกอลลอกและตูรกูุลอาบซสรสายตาทั้งหลายย่อมไม่ถึงพระองค์แปลว่าเราไม่สามารถมองเห็นอัลลอฮ์ได้นะอัลลอ์บอกเลยนะในดุญยานี้ไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะเห็นอัลลอ์ได้ วัวหัวยุธเรีกัอบะซอแต่สายตาของพระองค์นั้นถึงทุกคนไม่มีคนไหนเลยที่ไม่ได้อยู่ในสายตาของอัลลอ์เออไม่มีมนุษย์คนไหนที่รอดพ้นจากสายตาของอัลลอ์ได้คำว่าสายตาตรงนี้ก็หมายถึงการเห็นของอัลลอ์แต่มนุษย์เนี่ยมีหลบได้แต่เราหลบอัลลอ์ไม่ได้หลบสายตาของอัลลอ์ไม่ได้วัหวหวเลตี้ฟุลคอบีด พระองค์นั้นเป็นผู้ทรงปราณีและผู้ทรงรอบรู้อย่างดียิ่งขาวลาติฟเนี่ยแปลว่าอ่อนโยนก็ได้นะลาติฟเนี่ยแปลว่าอ่อนโยนนะผู้ทรงแต่ใช้กับมนุษย์นะลักษณะของมนุษย์ก็คืออ่อนโยนพระองค์เป็นผู้ทรงปราณีและก็อบีตคอบีตเนี่ยแปลว่ารู้แบบละเอียดถี่ถ้วนรู้ถึงที่มาที่ไปของมันเหมือนโทรศัพท์เนี่ย ถ้าเราบอกว่าเรารู้ถึงโทรศัพท์รู้แค่รุ่นครับแต่ไม่รู้หรอกนกมีกี่ตัวข้างในมันมาอย่างไงว่าถุมันเอามามีอะไรบ้างไม่รู้ต้องเป็นคนที่เจ้าของบริษัทหรือคนบอดิษฐอาจจะรู้นะแต่เราเนี่ยรู้แค่และแค่ลักษณะนี้แต่ความหมายของคําว่าขอบีตคือรู้ละเอียดยิบเลยนะไม่มีความรู้ใดที่ที่รอดพ้นจากความรู้ของพระองค์ไปได้ค่ะนี้มันมีหลักอากีดได้อยู่ ท่านหญิงไอ้ช้าได้บอกเอาไว้นะบอกว่ามันซามาอันมุฮัมมัดันอับบาสอรอรับบาหูฟะกอดแกดบใครที่เชื่อว่ามูฮัมหมัดเห็นพระพอทยบาลของเขาแล้วก็เขาพูดโกหกอย่างแน่นอนอันนี้เป็นหลักอากีดาที่ซอบา้าเห็นต่างกันด้วยนะท่านหญิงไอ้ชายืนยันว่าวันที่นบีขึ้นไปเฝ้าอัลลอฮ์นเนี่ยไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นแบบเห็น เห็นเลยนะเพราะจากอายะกุรอานนี้อัลลอฮ์บอกว่าสายตามนุษย์ไปไม่ถึง Allah. อัลลอฮ์แต่นี่มันมีแต่ท่ า, านหิงไอ้ช้ยืนยันแบบนี้นะหลังต่อมาก็ยกอายะกุรอานที่บอกว่าละตูดะริกูฮูอบบซอรว่ฮุยยูดะริกูอบบาซอร์แล้วก็มีอีกฮะดิษหนึ่งปรากฏว่าอินนัลลอฮฮะลียแนมแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่นอนแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่นอนและไม่สมควรสําหรับพระองค์ที่จะนอนด้วย ยักษ์ฟิสตอวัยรฟ้อูพระองค์ทรงประทานปัจจัยยังชีพแกบ่บาขององค์มากบ้างน้อยบ้างเข้าใจไหมคืออัลลอ์ให้ดิสกีแต่ละคนเท่ากันไหมไม่เท่าหรอกแต่ละคนก็ไม่เท่าและแต่ละช่วงก็ไม่เท่าด้วยบางวันก็ได้เยอะบางวันขายเนื้อได้โอ้โหขายดิบขายดีบางวันเงียบเลยวันก่อนฉันไปซื้อร้านยา กาไปเนี่ยคงไม่มีอะไรกินแล้วพอไปถึงปับ๊บเหลือเต็มเลยฉันบอกอ้าวทำไมวันนี้เพิ่งมาขายดอกป้าไม่มีคนไม่รู้คนไปไหนหมดเออถ้าไปป่านนั้นนะแทบจะไม่เหลือเล้วดูสิอัลลอฮเป็นผู้ ก, กำหนดนะวันนั้นก็เลยได้มาสองถุงเลยแถมถุงนึงด้วยพอาะมันเหลือเยอะเห็นนะมของดีขอดูอาสิ อ่านั้นเวลาอัลลอฮ์ให้ก็มีอัลลอฮ์ให้น้อยก็อย่า บ, บน่นทําบุญมั่งนะอ่าแล้วก็อัลลอฮ์เป็นผู้ให้ดิสกีบ้างน้อยบ้างมากบ้างเอาต่อมาอันนี้ยูรฟาอูอิไลฮีอามาลูนะฮาร์กอบลาเลนว่าอามาลูเลนกอบลานาฮาร์ ผลงานในเวลากลางวันเนี่ยจะถูกส่งมายัางพระองค์ก่อนเวลากลางคืนและเวลากลางคืนก็จะสูกส่งมาก่อนเวลากลางวันตรงนี้แปลว่าแยกกันชัดเจนอัลลอฮ์ดูผลงานเนี่ยนะจะมีมาริการผัดเวีกันเอาผลงานไปเสนออัลลอฮ์นะสุโบนรอบนึงแหละนะอัสรีกับมะกระิบ ร, รอบหนึ่ ง, า บ, า บ, บ, งบางรายงานก็บอกอัสรีบางรายงานก็บอกมะกริบ นะดั้นอัสการก็จะอ่านเช้าหลังซูโบกับหลังอสัอสซิตอัซัดนะถ้าเป็นมะกะเดบก็กลางคืนซูโบกักลางวันงานของกลางคืนก็เอาไปส่งงานกลางวันก็เอาไปส่งนะหลังมะกะเบกับหลังซูโบมาลิกาก็จะทําการผัดเปลี่ยนเวรกันในการนําเสนอผลงานเอาต่อมาฮีจะเบหูนูรพระองค์เนี่ยมีม่านกัน้น มีม่านกันซึ่งม่านเนี่ยถูกสร้างมาจากรัศมีอาวินนาร์หรือไฟหากพระองค์ทรงเปิดออกเปิดม่านนี่ออกนะลกาชฟูลอะฮรกตซุบะฮซุบะฮตุซุบะฮตุวฮฮมันตฮอิหบรมิลคลกถ้าหากพระองค์เอาม่านนี่ออก และสมีแห่งพระพักของพระองค์เนี่ยจะเผาไหมสปปรรพสิ่งทุกอย่างหมดเลยโลกไหม้เป็นจุลเลยถ้าพระองค์เอาม่านนี้ออกนะอแต่มันจะมีอิคัดิสหนึ่งที่บอกว่าดูอาที่ไม่มีม่านกัน้นคือเป็นดูอาพุ่งตรงเลยไม่ผ่านม่านนี้ทลุเข้าไปเลยดูอาของใครดูอาของคนที่มัสลูมถูกอาธรรมดูอาของคนที่ถูกอาธรรมนั้น เราไปอะธรรมใครแล้วเขายกมือขออัลลอฮเสร็จเลยเพะอันนี้ดูอาทะลุมานฟุ๊ปไปหาอลอเลยเป็นดูอามุสตยับนะครับเราลอลรับดูอาตั้งแต่โลกนี้เลยนะอา้าวตัวอย่างหนึง่งของท่านขออนุอ ญ, ญาตเอ่ยชื่อนะท่านคูเบบินอาดีคนนี้ถูกแร่เนื้อเป็นชิ้นถูกจับ ตอนแรกนบีส่งไปสอนกุฎาญนี่มันหลอกมีเผ่านึงมันมาหลอกนบีเข้ามาทํารับยุสธรรมแล้วบอกยาโรซูลละเผ่าฉันอยากจะได้คนไปสอนกุฎานนบีก็ส่งไปส่งครูกุรฎานไปสิบคนนี่หลังจากสงครามอุฮุดล้วไอพวกนี้วางแผนเลยล่อให้มาเลาะให้เอาตองกองธนูมา ร, อ ม, ารอมมาร้อมสิบคนที่บ่อน้ําพอร้อมเสร็จปุ๊บก็สู้ได้ด้วยนะสิบคนเนี่ยสู้ได้ไม่ไปแบบไม่พร้อมไปพกกุรฎานไปเป็นอุสตาศสอนกุฎาน เอาธนูไล่ยิงจนกระทั่งหนีขึ้นไปบนภูเขาแต่ช่วงที่หนีไปเนี่ยดึงขึ้นไปเนี่ยตายไปแล้วเจ็เหลือสามเหลือสามก็เจรจาไปเจรจามาสุดท้ายก็ยอมลงมาพอยอมลงมาไอ้นี่จับมัดเลยฆ่าตายคนหนึ่งอีกสองคนก็ส่งไปท่มกากเพื่อขายพอส่งไปหนึ่งนั้นมีท่านกูไบบินอาดีเขาเป็นโจ์เก่าอยู่เพราะว่าตอนสงครามอุฮุดเนี่ย ไอ้ขอโทษสงสารบาดัตเนี่ยเคยฆ่าพ ม, มุชลิกินไว้หลายคนไอ้พวกนี้ก็จองเลยก็เอามาแล่เนื้อเลยแล่เนื้อเลยนะแล่เนื้อสดสดผลกหนังเลยทรมานเลยเออแ ต, แ, ตแต่แต่ท่านขอละหมาดก่อนสอรอกนะละหมาดสั้นๆด้วยเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวพวกนี้จะหาว่ากลัวเขาก็บอกต่อว่ามีทางเลือกเป็นคนมาดีแ น, น่นะคุเบต บ, บินาดีเนี่ยบอกว่าจะปล่อยมุุมยานบอกจะปล่อยแต่ให้ไปเอามุฮัมมัด มาแทนเออเขาก็บอกว่าฆ่าฉันเถอะไม่เป็นไรเพราะว่าฉันเนี่ยเห็นนบีมอมัดแค่มีรอยน้ําควนเนี่ยฉันก็ทนไม่ได้แล้วเอออย่าว่าจะเอาหนุมอนมัดมายืนแทนฉันเลยเห็นแค่มีรอยน้ําขวนน้ําควนเนี่ยฉันก็รับไม่ได้หลังจากนั้นครูใบก่อนที่จะโดนประหารก็ขอดูโอ่อล้อให้เอาล้อจัดการในพวกเนี้ยที่ที่แก่อ่อที่ฆ่าท่านน ะ, นะในรายงานบอกว่าหลังจากนั้นไปในะชีวิตพวกนี้นะ บรรเลยหมดเลยบางคนเนี่ยไปค้าขายพอค้าขายเขารู้แล้วว่าขูุ้ยเนี่ยโดนอไว้ว่าต้องโดนเล่นงานใช่ไหมเขาก็เอาเวลาจะนอนเนี่ยเอากองเอากองคาราวานใช่ไหมมาแล้วก็เอาเอาเอาทรับมามาหนุนหนเสร็จแล้วก็นอนข้างบนเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนมาลอบฆ่าแล้วก็ให้ทหารยามเนี่ยเฝา้าคนมันจะระวังขนาดไหนนะเอารถส่งสิงโตมาตัวหนึ่งงับหัวไปเลยหัวขาด เขาบอกว่าไอ้นี่โดนดูอาของครูเบฟเล่นงานแล้วอ่าก็ <_ S 1> แน่นอนตายหมดตายแบบอันานหมดบางทีโดนควายควิดโดนโดนอะไรก็เลยตกตายตกเขามาตายตายหมดเลยเอาล็อจัดการหมดเลยดังนั้นดูอาของคนที่ถูกอาธรรมและยิ่งเป็นคนดีด้วยนะถ้าเป็นคนไม่ดีเนี่ยก็ก็เป็น ก, ก็ก็ไม่ดีแล้วแต่ถ้าเป็นคนดีด้วยเป็นคนที่เขาอยู่กับอัลลอฮ์ด้วยนะแล้วไปไปอาธรรมเขาเนี่ยแน่นอนดูอาตามเล่นงานแน่นะครับ อันนี้ก็ตัวอย่างหนึ่งนะเอาต่อมานบีมูซานบีมูซาเนี่เคยขออัลลอ์ให้เห็นขอเห็นอันลลอ์เลยนะยามูซาอินนฮุลายารอนีอัลลอ์บอกโอ้มูซาเอ๋ยความจริงความจริงคนเป็นเนี่ยไม่สามารถจะเห็นได้อิละมาต้องตายก่อนถึงจะเห็นอันลลอ์ได้ ว่าเลี س บิสุนอิลล่าทัดาห์ดหูอัยดาสนอกจากมันจะละเอียดคือกระจัดกระจายเป็นเศษเล็กเศษน้อยคือถ้า AH เอาล่เผยตนให้เห็นเผยพระองค์ให้เห็นเนี่ยสิ่งนั้นจะกระจายหมดเลยแต่มาแค่เสียงอย่างเดียวมูซาก็สลบแล้วแค่เสียงอย่างเดียวเนี่ยสลบไปเลยนะแล้วก็ขอตาบัดตัวแค่เสียงยังสลบเลยถ้าเห็นแล้วก็เรียบร้อยไม่ได้ ไรไม่เป็นจุนเลยละเอียดหมดนะครับนั้นอัลลอฮ์มีฮิ j าบกั้นอยู่นะมีม่านกั้นอยู่ตรงนี้นะซึ่งอัลลอฮ์ฮวาลัาลนะพระองค์บอกแล้วนะม่านพระองค์ถูกสร้างมาจากรัศมีหรือไม่ก็ฝ่าัลลอฮ์ฮวาลัลลัมนะครับนั้นหลักอะกีด้าของเราเราจะได้เห็นอัลลอฮ์ครับแต่เห็นหลังจากไหนนะตายไปแล้วต้องตายก่อนนะตายถึงจะได้เห็นนะถ้าในดุนยาไม่ได้เห็นนะเออต่อมา ขัดِจ้าคุณบาซาอิรูมิรับบิคุมขัดเจ้าคุณِาซาอิรูมิรับบ م คุมเฟมْนَาบะَาร์َัลีนัฟ ซีฮีว่ามันَามเَี่ยฟ้าเลَ์ฮَ่วَามันอَบซาร์บลَมَีฮีว่ามันงามเยี่ยฟ้าเลย์ฮ่าว่ามานาาลัยคุมบีฮัฟซี وَكَذَلِكَ نُصَرِفُ ّ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ ل ِ ق َ و ْ م ٍ يَعْلَمُونَ มาดูความหมายนะครับก็เดี A ๋ยวจะกุ้มแท้จริงบรรดาหลักฐานคือหลายๆอย่างบนโลกนี้เนี่ยไม่แปลว่าต้องเห็นแล้วต้องเชื่อว่ามีนะเยอะแยะคุณก็เอาอย่างอื่นมาเทียบสิผมนี่ก็เชื่อว่าเมกามีจริงแต่ไม่เคยเห็นเมกาเลยนะเพราะว่าไม่เคยไปแต่ดูเขาถ่ายทอดเฉยๆหลักฐานทางประวัติศาสตร์เยอะแยะเลย แล้วก็ไม่เคยเจอตายไปแล้วแต่มันมีหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ร่องรอยอยู่เขาขุดเจอหนุ่นขุดเจอนี่นะแต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นถึงจะบอกว่ามันมีจริงนะนั้นมนุษย์เราเนี่ยมันมีข้อพิสูจน์ตั้งเยอะแยะว่าสิ่งนั้นมีจริงหนึ่งใช้ประสบการณ์ผมเนี่ยบอกว่าย่อฉันมีจริงอ่ะฉันเห็นย่อฉันอกีฉันฉันก็เห็นก็คือกีไลกีโซเล่ยฉันไม่เคยเจอเลย เพราะว่าตายไปก่อนแต่ป่าฉันเคยเจอป่าเจอนะี่ยเจอไหมไม่เจอเหมือนกันปักไม่เจอตายไปอ่าแล้วก็ไ like ล่ขึ้นไปอีกแต่ฉันเชื่อว่ามีหมดแหละที่พูดมาเนี่ยอ่าแต่ไม่เคยเจอแล้วมีหลักฐานไหมเอากระหลักฐานในเรื่องของการถ่ายทอดมาไงบอกต่อกันมานะนั้นมนุษย์เราเนี่ยพออย่างอื่นเราเชื่อได้แต่พอบอกพระเจ้าต้องเอาไมา่เห็นสิถึงจะเชื่อเอาหลอที่แกเชื่ออย่างอื่นต้องเยอะแยะไม่เคยเห็นเลยแต่แกก็เชื่อแต่พอบอกพระเจ้าปั๊บบอกว่าต้องเอาไมา่ให้เห็น นี่มันย้อนแย้งนะนั้นเอาเราให้หลักฐานการมีอยู่ของพระเจ้ามาบรรดาหลักฐานจากพระ พ, พุทธพิบาลของพระเจ้านั้นได้มายังพระเจ้าแล้วก็คือสิ่งที่พระองค์สร้างนี่ไงท้องฟ้าแผ่นดินก็มองไปสิมันเกิดขึ้นเองกหรอนะเอาต่อมาฟามันฟามันอบซโร ดังนั้นใครที่มองเห็นมองเห็นตรงนี้เนี่ยเห็นด้วยว่าอัลลอฮ์สร้างนะนี่พระเจ้ามีจริงอย่างนี้มองเห็นฟะลีนับซีฮีก็ย่อมได้แก่ตัวคนนั้นไปใครที่มองเห็นสัจธรรมมองเห็นความจริงก็ได้แก่คนคนนั้นไปว่ามั่นอามียะฟอะอาัยฮะแต่ถ้าใครทำเป็นเหมือนคนตาบอด ท, ท, ทัางดีเห็นแล้วนะแต่มันทำเป็นไม่รู้เรื่อง เหมือนคนตาบอดเลยอามิยาก็คือเหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นฝ้าอะไลฮาก็ย่อมได้แก่ตัวเขาเออก็ย่อมได้แก่ตัวเขามองเห็นคุณก็ได้ประโยชน์มองไม่เห็นคุณก็รับไปจะมาโทษอัลลอฮ์ไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ส่งสัญญาณมายังส่งมาแล้วแต่คุณมองไม่คุณไม่เลือกที่จะมองเองอะ่ะแล้วจะไปบอกว่าอ๋อเนี่ยไมอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันให้แต่คุณไม่มองนะ คือข้อสอบของอลล่อนี่ไม่เหมือนข้อสอบมนุษย์นะอลล่อนเฉลยหมดเลยนะข้อสอบอลล่อนี่เฉลยหมดแล้วทำงี้งี้งอกก่อนล่วงหน้าเลยนะะบอกก่อนล่วงหน้าหมดเลยทํางี้สิได้งี้งี้แต่ปรากฏว่าเราบอกเราเลยข้อนหนึ่ง <c oughs> อ้าวไอ้นี่ตาบอด น, นี่ก็ <c oughs> <c oughs> บอกแล้วแล้วทำไมไม่ไม่แล้ว ไ, ไม่โทษอลล่อนไม่ได้นะอลลอบอกแล้วนะฟาเมีย <c oughs> อะไรค่ะยันคนที่มองไม่เห็นด้วยจากการที่เขาไม่ใส่ใจไม่สนใจ ก็รับไ ป, um ไปว่ามาอาณาในกลุ่มบิฮาฟีแปลว่าอะไรและตัวของฉันฉันตรงนี้ก็หมายถึงท่านนาบีเนี่ยไม่ใช่ผู้พิทักษ์รักษาพวกเจ้านาบีเอาคำสอนไปบอกแล้วพอล้อจะลงโทษนบีบอกอย่าลงโทษนะห้ามลงโทษไม่ใช่เพราะนาบีทำหน้าที่ในการบอกส่วนพวกเจ้าตอบรับไม่ตอบรับอยู่ที่พวกเจ้าท่านก็รับไปนะ อันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะเวลาสําหรับคนที่เป็นครูสอนศาสนาบางคนก็บอกว่าเนี่ยทําไมเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์คนเนี่ยยังกินน้ําทอมอยู่เลยฉันก็บอกฉันก็สอนมาแล้วแต่มันยังไม่เลิกจะทาไงอ่ะจะมาโทษฉันเหรอเออแต่ฉันไม่ชวนมันกินก่อไปอย่างเนี่ยเห็นมันฟังคลิปอาจารย์นะถ้าพักม่ชดน้ําทอมแล้วเอ้าแล้วมาเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะก็มันกินของมันเองฉันไม่ได้บอกให้มันกินฉันแค่บอกว่าอย่าไปกินนะอย่าอ่าสอนมันแล้วเรื่องหลายเรื่อง อนั้นจะทําไปทํารืงมันรับไปนะเอา้าอีกอันหนึ่งที่อลัลลอฮฺบอกและในทํานองเดียวกันว่กะดาดะลีกาดูซอ ร, ริฟูอัยยะเละในทํานองเดียวกันเราได้แจกแจงอายะห์ทั้งหลายไว้แล้วเราได้แจกแจงอายะห์ทั้งหลายไว้ก็หมายถึงหลักธรรมคาสอนที่สลามบอกบอกไว้หมดแล้วให้ทําอย่างงู้นี้งนี้เพื่อพวกเขาจะได้ กล่าวว่าเจ้ามูฮัมหมัดได้ศึกษาแล้วนะคืออย่างนี้น บ, บีของเราเนี่ยไม่ใช่ว่ายูยดีจะให้เหงือเข้าตาหมดแล้วยุดีเนะี่ยไม่ใช่ว่ายุยดีจะให้เสื้ อ, อให้เชื่อขอโทษทีฉันคนขี้ร้อนไม่เป็นไรฉันไม่คนขี้ร้อนมาก อืเปิดแอร์บางทีในยี่สิบเอ็ดองศาอย่อ ย, อ, ยอยู่ห้องเย็นดันั้นถ้าเงหาเงื่อไหลเยอะกคนอื่นไม่ไม่แปลกคนอื่นเขาเหงื่อไม่ไหลแต่ฉันไหลแล้วฉันเนี่ยอีกข้อหนึ่งก็คือเวลากินของเผ็ดปุ๊บไหลเลยต่อให้กินห้องแอร์ด้วยนะไปนั่งห้องแอร์เย็นๆเลยนะแต่ถ้ากินเผ็ดปับ๊บเหงื่อไหลอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของคนออ่าอดังนั้นอะไรนะอย่าล้ำดาบ ทำะารลำดับคืออะไรไเป็นบ้ า, นบา <laughs> สนกันดูอะไร <laughs> อ๋อไม่ได้บ้าไม่ได้บ้ า, บาแต่ต้องระวังฮีสโตกตอนนี้เป็นกันเยอะฮีสโตกก็คืออะไรล่ะร้อนจัดใช่ไห ม, ไมไร้อนจัดแล้วก็น็อกอ่านั้นบางคนเนี่ยอย่าไปอย่าไปฝืนตัวเองถ้ารู้สึกหน้าจะมึนๆแล้วก็ให้หยุดเลยข้าวไปนอนห้องแอร์อ่าเดี๋ยวผมจะหยุดละอย่าไปฝืนมาก <laughs> <laughs> พราะมันร้อน <laughs> น, อ น, <laughs> นะอา้าว คืออย่างนี้น บ, บีมอมัดเราเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้ศรัทธาให้ศรัทธาไม่ใช่ให้ไปหาข้อพิสูจน์มาให้เวลานะบางคนเนี่ยเชนซอฟวาน์เนี่ยหุ่ยหนีไปเป็นหกเดือนมึงสามเดือนหรือสี่เดือนไปไปหาสัจธรรมจนได้แหละไปเจอจนกระทั่งไปไต่ตองไปทบทวนแต่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเขารับแลวเขารับจริงไอ้ประเภทไวๆนะ แล้วไม่ได้คิดอะไรเยอะเนี่ยน่ากลัวไอ้พวกเนี้เขาเรียกเข้ามาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวออกแต่คนที่คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกมันมันม่นคงแล้วไงเขาถึงเข้าอันนี้จะอยู่นานบางคนเนี่ยเป็นปีนะผมอ่านในบางคนที่ออกมาสัมภาษณ์น่ะศึกษาสลามปีหนึ่งโอ้โหอาจารย์แล้วถ้าเกิดเขาตายแล้วก็ก็นนั้นก็ยังไม่ตายไงแต่แต่เขาศึกษาจนกระทั่งหมดข้อสงสัยในในศาสนาแล้ว คือร้อยปอร์็แล้วแต่บางคนเนี่ยมาห้าสอย่างเงี้ยยังมีข้อสงอสัยบานเลยแล้วบอกว่าเป็นผู้ศรัทธาฉันก็งงคือคุณถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยคุณต้องไม่มีข้อสงสัยอะไรแล้วนะในในในความเชื่อของคุณเนี่ยอา้าวในทำนองเดียวกันนี้เจ้ามาได้ศึกษาแล้วและเราก็จะได้อธิบายให้แจ่มแจ้งแก่พวกคนที่รู้ชุมชนที่รู้นะครับนั้นในในในคำานึงที่บอกว่าอิสลามมีคาตอบ อิสลามมีคำตอบทั้งหมดไหมมีคาตอบหมดนะแม้กระทั่งเรื่องเรื่องในดุนยาก็มีคําตอบเอาทําไมมีคําตอบละ่ะก็อัลลอฮ์บอกว่าให้ถามคนที่รู้ไงไม่รู้อะไรก็ไปถามคนที่รู้นะอาย่านี้จบเลยเพราะว่าพูดรวมทั้งหมดเราอยากจะได้สุดขนมจีนก็ไปถามร้านฟติมาขนมจีนอร่อยเนื้อเค็มถามเบถามได้เลยแต่ถ้าเรื่องศาสนาให้เอาจากดบี อต่อมาอายะห์ที่ร้อยหกร้อยเจ็อิแตบิร์มาอูฮีย์อีไลกะมิรับบิกะลาอีลาฮาอิลลัหฺ ลาอิลล้าอิลลัลฮฺวะวะอาริดะนิลมุชริกินลาอิลล้าอิลลัฮฺวะวอรินิลมุชริกนวะชอัลลอฮ a l l َ <consume S 1> h ah ْ m َ a şey a <cryptocur> <akt êm> s و الله ما أ ش ر ُ و وما جعلناك عليهم ح َ ف ظ ا e> ว่มาอัลต์อัลัยฮิมบิวะคิลว่มาอัลต์อัลัยฮิมบิวะคิลอ่ามาดูความหมายนะอิจตเบียจงปฏิบัติตาม ก็เอาล้อบอกแล้วเฉลยข้อสอบหมดแล้วให้ทำหนึ่งสองสามสีง่ายๆเลยทำตามอิสลามนี่ง่ายนะนบีทำยังไงเราก็ทำตามอ่าคราวนี้เนี่ยบางคนมันมันรู้สึกว่ายังไม่พอแหมนบีทำน้อยไปหรือไงไม่รู้ก็เลยไปเติมเอออ่นนี้ลองฟังดูนะมีคาหนึ่งโต๊ะนี่แกคิดดีนะอ่ลองเราคิดลองลองคิดตามฉันโต๊ะแกบอกงี้อาจารย์ หลังซูโบนี่โต๊ะมีเวลายุแต่พอบ่ายมานี่โต๊ะออกไปขายของและลูกค้าเนี่ยมารอนั้นโต๊ะเนี่ยจะละหมาดสะฮดเนี่ยแล้วโต๊ะจะไม่มีเวลานั่งวีดิศเออโต๊ะไม่มีเวลานั่งวีริศหลังละหมาดหลังละหมาดบ่ายแต่ละหมาดซูโบเนี่โต๊ะมีเวลาพอสมควรเลยโต๊ะก็เลยเอาวีริศหลังละหมาดบ่ายเนี่ยมาอ่านรวมตอนละหมาดซูโบเลย ย่งซุบฮานลละลออะขอโทษทีย่งอิสอัสต์ฟิรุลอเคยว่าสามก็ว่าหกเออเขาคิดดีนะซุบฮานัลลอจากสามสิบสามก็เป็นอย่างละอย่างหกสิบหกเออและสงต้นทิศอาจารย์สอนฉันนะ่ะฉันจะว่าเบิ้นหมดเลยเพราะว่าฉันทําเผื่อบ่ายไปแล้วตอนบ่ายฉันกไ็ไม่ต้องทําดีไม่เลยอาจารย์นี่ทําเป็นฉันตอบวิ่งดีมากเลยโตแจว๋วเลยแต่ฉันบอกไม่ดีอะโต้มันเบิ้นไม่ได้ครับ เพราะมันอ่านตามตัวของมัน<ค>ของเวลาของใครของมันเอ อ, อยี่ยังงี้เฉมุดคนไม่ว่างก็ไปอ่านอีชอซีเดียวเลยสาสิบสามรวมกันหมดเลยเห็นไหม <c oughs> คือคนเนี่ยมันคิดได้แต่ถามว่ามันตรงไหมล่ะมันไม่ตรงนั้นไอตอนบ่ายฉันจะบอกโต๊ใะจะเย็นนะถ้าโตมีเวลาโตนั่งอ่านถูกป่ะแต่ถ้าไม่มีเวลาไม่ได้อ่านนั่นแหละเอาลอบบันทึกผลบุญให้เหมือนตอนโตอ่านเลยอาจารย์มันได้ยังไงล่ะก็ฉันไม่ได้อ่าน ก็มันมีหะดิษบทหนึ่งบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ทําเป็นประจำแล้ววันหนึ่งมันมีเหตุไม่ได้ทำไม่ได้ทิท้งเพราะขี้เกียจนะอัลลอฮฺจะบันทึกเหมือนกับตอนที่ปกติเหมือนผู้หญิงเนี่ยที่ไม่ได้ละหมาดเนี่ยมีประจําเดือนแต่ตอนที่ถามว่าตอนที่ไม่มีประจําเดือนละหมาดครบไหมครบอัลลอฮฺให้ผลบุญเหมือนคนละหมาดแหละแต่ไม่ต้องละหมาดเออ คนที่ป่วยเมื่อก่อนเคยอ่านกุ้อานได้เป็นยุ่ดยุ่ดแต่ตอนนี้ผ่าตาตามามาได้อ่านปวดตาอ่านปั๊บปวดตาเอาล่อให้ผลบุญเหมือนเดิมเลยแต่ต้องมีเนืยอใจจะอ่านนะแต่มันอ่านไม่ได้เพราะมันมีมันมีเหตุมันมีอุปสรรคเนี่ยฉันนึกบอกไงว่าหรือแม้กระทั่งเมียที่บ่นได้ว่าใครตั้งใจจะตื่นตะฮัดยุทธและปรากฏว่าเป็นไงเพียไม่ไหวไม่ตื่นหมักเนื้อเยอะไม่ได้ตื่นไม่ได้ตื่น พอไม่ได้ตือนนบีบอกว่าไงอัลลอฮ์ให้นอนเป็นสดกโกและบันทึกผลบุญการละหมาดให้อีกโอ้โหพอฟังแบบนี้พรุ่งนี้ไม่ตืน่นละไม่ใช่นะ <ś c oughs> ไม่ใช่นะสำหรับคนตั้งใจแล้วพลาดแต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งถ้าเราตั้งใจจะพลาดอยู่แล้วไม่เกี่ยวนะตัวนี้ไม่ตั้งนิกาปุกมาลนะเหนื่อยอันนี้ไม่ได้แต่ถ้ากูตั้งอยากจะตื่นแน่นอนแต่มันมีเหตุทาให้ไม่ได้ตืน่น เอาล้อจะให้ผลบุญเหมือนการทํานั้นบอกโต้ใะจะเยน็นโตะอ่านเหมือนเดิมนั่นแหละโต้ไม่ต้องไปเบิร์ดนะแลว้วตอนบ่ายถ้าไม่มีเวลาไม่เป็นไรอ่าเพราะเอาล้อจะให้ผลบุญเหมือนกับตอนที่โต้อ่านนั่นแหละเพราะว่าโต้ที่ไม่อ่านเพราะมันมีเหตุใช่ไหมมันมีสาเหตุเอาว่ากันไปนะแต่ขอให้มีเวลาและให้อ่านแล้วกันอิสตาเบียมาอูฮียอีละอีกามิรับบิกที่ฉันเอามาเล่าเนี่ยเพราะอะไรเพราะศาสะนานีมันง่าย ก็ทําตามที่วะฮีลงมาวะฮีลงมาเท่าไหร่เราก็ทําไม่ต้องไปเติมไม่ต้องไปเพิ่มไม่ต้องไปลดบางอันเพิ่มได้บางอันเพิมด้มีไหมมีบางครัี่บอกว่าให้อ่านเท่านี้นะแต่แล้วก็ใครจะอ่านเพิ่มไปดีกว่าอ่าคือมี ม, ม, มีมีบางบทใ น, ในอักฎาบอกว่าให้อ่าน ร, ร้อยและคนที่จะดีกว่าคือคนที่อ่านมากกว่าก็แสดงว่าเปิดได้อย่างตะฮะยุทธก็แล้วแต่เลยไหวไหม่หลักกับทําเพิ่มไปมัสนาทีทีเสองทำทีสองไป บางอย่างไม่ได้มีขีดจํากัดเช่นอ่านกุฎีอ่านว่างเมื่อไรก็อา่านนะสอดก็แล้วแต่บางอันเป็นอิบาร์ด้าที่จํากัดต้องตามละอีเลห์อิลลห์ูไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้นวาอาริตออนินมุชติกีนและพวกเจ้าจงผินหลังให้กับบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีเถิดดงนั้นเวลาเราทําอิบาด์ด้าเนี่ย ไม่ต้องไปเก่งใจคนที่เขาเป็นมุสลิมฉันนึกบอกไงจะละหมาดเฮ้ยอายเขาทําไมอ่ะเดี๋ยวเขาจะว่าทําอะไรแปล ก, ปกมีมีอยู่คนหนึ่งไปนอนสัมมนาแล้วเวลาสัมมนาใช่ไหมเขาไปนอนตรงโรงแรมใช่ไหมเขาก็ไปนอนร่วมห้องแกก็มาเดียวบอกเพื่อนร่วมห้องไงแกก็นั่งอ่านนั่งอ่านสามกุญแจรูปอะพออ่านเป่ารูปรูปรูปปุ๊บปุบปบ ไอ้คนนี่อยู่ร่วมห้องก็เนึกว่าไอ้นี่เล่นของโอ้โหมาเล่าที่วงอาหารบอกเนี่ยยีแกเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรกลางคืนแกก่อนจะนอนแก ท, ทํานู่นทํานี่น่ากลัวจังเลยกลัวจะรํเหมืาจะรําอันนี้แนะนําทําไงรู้ไหมบอกให้เขารู้ก่อนบอกเลยเนี่ยอันนี้เป็นพิอันนี้เป็นพิธีนนธธกรรมของฉันนะอะ่ฉันจะนั่งอ่านข้าพูดยังไงของคุณส่วนมนของฉันก็ขอต่อรอขออุอดอาก่อนให้คุ้มครอง นะแล้วเวลาเราคุ้มคลองเนี่ยเราก็จะคุ้มคลองสถานที่ตรงนั้นทั้งหมดเลยไล่ ย, ยีนไลช่ชายตอนหมดเลยอะทั้งห้องนั่นแหละเออนั้นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วเขาจะมองแปลกก็บอกเขาเลยยี i, ฉันจะขอละมหมาดข้างรถหน่อยนะอาชัยีพี่พี่ผมขอละหมาดข้างรถหน่อยนี่ผมทำละหมาดนะอันนี้ไปยืนละหมาดเซนในกระบีบแต่ปิ้นปิน ป, นปินไล่อยู่นั่นเลยมันก็ไม่รู้ไงทำอะไรเออแต่ขอให้บอก นะบอกเขาให้รู้ว่าเราทำงี้นะครับดังนั้นไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปแคร์สายตาคนที่เขาคนที่เขาไม่รู้จักอิสลามแต่ให้บอกให้เขาเข้าใจนะและเราก็ละหมาดของเราเราจะทำอิบาด์เราทำเลยถ้ามันไม่ได้ไปก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับเขาต้องไม่เดือดร้อนด้วยนะเราจะฟังกุอาลแต่เปิดให้เขาทำทั้งงานฟังหมดเลยเี่ยมันก็ไม่ใช่ไงมันเริ่มมันก็จะไปรบกวนคนอื่นเขาด้วย ว่าเราแช่อัลลอฮ์หู่มาอชรอู ا أ <وا> และหากว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วอฟังอายานนี้นะและหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วพวกเขาก็ย่อมไม่ให้มีพาคีเกิดขึ้นอาว่ามาอันนากะไลฮิมฮ ي ظ ิรและเราก็ไม่ได้ให้เจ้าเป็นผู้พิทักรักษาพวกเขาว่ามาอันตาไลฮิม บิวกีและพระเจ้าก็ไม่ใช่เป็นผู้รับมอบหมายให้การคุ้มครองรักษาพวกเขาด้วยามาดูนิดหนึง่งและหากว่าเอาล้อทรงประสงค์และพวกเล็บพวกเขาก็ย่อมไม่ให้มีภาคีเกิดขึ้นแปลว่าแต่มัน ก, ก็ขึ้นอยู่กับประสงค์เล็บความปรีชาญาณของลอคือสมมุติเราไปสอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะรับไม่รับให้เรามอบกอดล้อเลย บางทีเขาอาจจะรับเชื่อฟังเขาได้ได้ฮิดายะหรือเขาจะก็คือให้แล้วแต่ประสงค์ของลอและเลือกโดยไม่มีไม่มีการถามในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทาและให้พวกเขาจะถูกแต่พวกเขาจะถูกถามคืออย่างนี้บางคนถามเยอะทำไมอัลลอฮ์ทไมอัลล์ต้องสั่งอย่างนี้อัลลอฮ์ต้องถามนี้เราก็ต้องบอกไปว่าอัลลอ์เป็นผู้สั่ง เมื่อพระ อ, องค์สั่งมาเราก็ทำแค่นั้นแหละเหมือนเจ้านายที่เขาใหญ่ๆจริงเนี่ยเวลาเขาสั่งให้ใส่ชุดชูนิฟอร์มแบบนี้เรก็ต้องแต่งไม่แต่งก็ออกไปไม่ต้องมาทํางานมีอะไรต้องไปบอกเขาไหมฉันว่าลายนี้มันเชยนะอ๋อเชยไปทําที่อื่น <laughs> ก็เขาไปซีโอเขากำหนดมาเกณฑไปยุ่งอะไร <laughs> เออ <laughs> <laughs> ก็เหมือนกันเมื่อรอกาหนดมาก็ทําแต่เราไม่ทํานี่แหละเราจะถูกถามนะแต่บางคนถามด้วยกับ อยากรู้อันนี้ไม่ว่ากันแต่บางคนถามเซาซีถามเพื่อจะหาเรื่องอันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งเขานะและคำใดของระบบและเราม่ได้ให้เจ้าเป็นผู้บิทักษ์รักษาพวกเขาคือเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองคอยดูแลพวกเขาหรือการกระทําพวกเขาไม่ใช่เอาล่ะไม่ใช่คนไปพูดคนไปพูดแค่นํ้นถ้าที่เอาสารไปบอกและเจ้าก็ไม่ใช่ผู้ที่รับมอบหมายและคุ้มครองพวกเขาด้วยก็คือไม่ใช่ผู้ที่รับมอบหมายต่อเครื่องยนต์ชีพ อัลลอฮ์จะให้ดิสกีกับใครเป็นสิทธิ์ของพระองค์เรื่องต่างๆของพวกเขาเหล่านี้ทําหน้าที่เป็นผู้เผยแพร่ผู้ประกาศเท่านั้นเออจะไม่บอกว่าเฮ้ยถ้าแกไม่เชื่อฉันเดดิสกี้จงอย่างนี้อัลลอฮ์เป็นคนจัดการให้เราทําหน้าที่พอนะแต่เราบอกได้นะว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้นะแต่ไม่ใช่เราเป็นผู้กําหนดนะครับอันนี้ก็คือ อย่างหนึ่งนะฟะอินเนี่ยมาอะไรกันไปแล้วกูว่าอะไรนั่นเฮหน้าที่ของเจ้าเนี่ยฮะเราบอกนะหน้าที่ของเจ้าก็คือน บ, บีมอดเนี่ยเผยแผ่ส่วนหน้าที่ของเราคืออะไรไหมเฮซับคิดบัญชีอัลลอฮ์ทำหน้าที่คิดบัญชีเ อ, อ่ะหน้าที่ของเราก็คือบอกตอเตือนแล้วก็สอนอ่ะอีกสักอายะหนึ่งนะครับ ولا تسب الذين يدعون من دون الله فلا تسب الذين يدعون من دون الله ف ي ا ب الله عدوهم بغير علم ก็ได้ลิขิตให้แก่ทุกคนที่เป็นผََ้ำทั้งหลาย มาอีลารับบิห์มร์ดิ ع ุห ف มุฟายนับบิอบมา كانوا ي ع ل و ن อ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการอยู่ร่วมกันในสังคมพระหุวัฒนธรรมอัลลอฮ์บอกว่าไงวลายะซุบุลละดีนายะดอูนมินดูนิลล่ะและพระเจ้าอย่าได้ด่าว่าบรรดาพวกที่วิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์หมายถึงไปว่าพระเจ้าเขาวิาพากวิจารณเสียให้หาย เพราะอครับเพราะจะเป็นเหตุให้บวบเขาเนี่ยด่าว่าอัลลอ์อย่างเป็นศัตรูคืออันเนี้ยเป็นสุร้อนอันอามที่ถูก ป, ประทานลงมาในตอนที่นบียอยู่ที่เมืองมะ ก, กะนะแต่พอเป็นเมืองมา ด, ดินหะเล้เนี่ยแน่นอนว่าคนในเมืองเนี่ยเป็นมุสลิมทั้งหมดอันนี้ก็ต้องอ่าพูดเตือนได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ใน ในสังคมที่มันมีความเชื่อที่หลากหลายเนี่ยไอายการที่เราจะไปวิาพากษ์วิจารในทางสิเสียหายเนี่ยเขาก็จะด่าว่าว่าใครว่าอล้อเราอ่าแล้วก็มันก็เคยเหตุเกิดเหตุการเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตในประเทศไทยมาแล้วตัวกระทั่งจุฬาต้องออกมาเตือนมาบอกกันนั้นนําเรียนกับพี่น้องว่าการเผยแพร่ให้เราสอนเรื่องของเราอย่าไปแวะเรื่องคนอื่นคาใดที่เราไปแวะของคนอื่นเขาเยอะมันก็จะเกิดปัญหาเขาก็จะมาว่า นะอันนี้เน้นเถ้าในในใ น, ในการสอนที่แบบปิดอันนี้ไม่ว่ากันถ้าถ้าเปิดยิ่งเียชนต้องระวังเลยยิ่งออกสื่อ อ, อ, อร่อยเนี่ยต้องพยายามระวังคําพูดมากเพราะว่ามันมีหน่วยงานที่ต้องจะเล่นงานอยู่อ่าคือพูดจามไม่ดีมก็จะกลายเป็นความมั่นคงด้วยนะเรื่องใหญ่เลยนะความมั่นคงปันป่วนอะไรเงี้ยนะครับนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงอันนี้ก็เป็นการเตือนพวกเราว่าอย่าได้บริภาดศาสนาอื่นเพราะมันจะเป็นเหตุให้ครับพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมาว่ามาด่าวล่่อย่างเป็นศัตรู ถามว่าที่เขาว่าล้อเราเนี่ยเขาก็ไม่มีความรู้แหละส่วนใหญ่ก็ยาเฮทั้งนั้นแหละพูดง่ายๆว่าเอาอารมณ์นําไม่มีใช้เหตุผลอยู่แล้วถ้าใช้เหตุผลก็ไม่คุ ย, ยกับในทํานองนั่นแหละเราได้ให้มีความสวยงามในแก่ประชาชาติแต่ละอุ้มมะอัลลอฮ์จะให้มีความสวยงามในแต่ละประชาชาติซึ่งการงานของพวกเขา อุ ม, มาของนบีก็มีอามันที่เอาลอกําหนดเอาไว้ละหมาดพราดูห้าเวลาอา้าวนบีมูซาก็มีนบีนุ่นก็มีนบีนั่นก็มีแต่ละประชาชาติก็จะมีความสวยงามในแต่ละประชาชาตินะและยังพระผู้อภิบาลของพวกเขานั้นคือการกลับไปสุดท้ายแล้วทุกคนกลับไปจุดเดียวกันหมดก็คือไปหาลอจะละหมาดไม่ละหมาด ก็กลับไปหาล้อหมดนะไม่ได้มีนะอ๋อคนละหมาด ก, กลับไปหาล้อคนไม่ละหมาดอยู่เฉยไม่ใช่เวลาตายไปที่เดียวกันหมดมารยจิอุ่มกลับไปที่เดียวกันหมดนะแล้วพระองค์ก็จะทรงบอกให้พวกเขาทราบว่าไอ้ที่เขากระทาเนี่ยมันถูกเปล่าถ้าแกไปเชื่อไปเคารพสิ่งอื่นโอ้โหบูชาอ ย, ย่างสุดริ่มทิมประตูเลยนะเดี๋ยวเราจะบอกเองแหละว่าไอ้ที่ทำเนี่ยถูกไหมไม่ถูกหรือถูก นะนั้นก็ว่ากันไปในเมื่อเราทําเราสอนแล้วไอ้สิ่งที่ถูกแล้วเขาไม่เชื่อแล้วเขาจะยืนยันว่าไอ้เนี่ยมันดีเดี๋ยวกลับไปหาอัลลอฮ์เดี๋ยวก็รู้เองนะดังนั้นไม่ต้องไปถึงขั้นไปไปดา่าไปว่าเพราะว่าการดา่กากันว่ามันมั น, มนไ ม, ไม่ไม่มีแต่เรื่องดีหรอกสุดท้ายมันก็ ก, กลายเป็นมีมโหแล้วก็ด่ากันไปด่ากันมาเนาะอันนี้จริงๆนะด่ากันไปด่ากันมาสุดท้ายก็ไม่ได้มีเกิดประโยชน์อะไรเราสอนเราบอกจบ เชื่อไม่เชื่อเรื่องของคุณสุดท้ายคุณก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์เล็กก็กลับไปตอบคำถามที่คุณทำเนี่ยคุณทำตามที่อัลลอ์บอกเปล่าวัลลอฮหัวเลมนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมะอวิฮัมลิก้าอัลลออิลัยฮิลัยน์ตะสตัฟุกาวาตูบิไลอัสสลามุอะลัยกุมะรอหมัตุลลอห์อับาโรคะโต